ากราบบูชาพระรัตนตรัยาก็กราบคารวะพระจันไสารผู้เป็นประธานหลวงพ่อกลมพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกและขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสกโตแห่งนี้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 กลับจิตกลับใจมาเรียนรู้ตัวเองมาเข้าใจตัวเองเอาชนะกิเลสได้นะตรงนี้เรียกว่าเป็นปฏิหารเป็นสุดยอดปฏิหารนะในพระไตรปิฎกก็ดีนะพูดถึงปฏิหารไม่สามอย่างนะอันแรกก็คืออิทธิปฏิหารก็คือ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 ซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยพุทธองค์ก็ไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมให้ภิกษุไปแสดงหรือไปใช้ในเรื่องที่ไม่สมควรแต่ท่านจะเน้นตรงปฏิหารอั น, อนสุดท้ายก็คืออนุสาสนีปฏิหารก็คือคาสอนหรือธรรมะที่สามารถทำให้คนเราเนี่ย เอาชนะกิเลสได้สามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนจากคนที่โกรธเป็นคนที่ไม่โกรธเอาชนะความโกรธได้เอาชนะความโลภได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถจะทําได้ถ้าปฏิบัติตามซึ่งปฏิหารอันที่สามเนี่ยพระเจ้าองค์ทรงสนับสนุนและส่งเสริม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 นะเพราะว่าโลกปัจจุบันนี้นะมันมีสิ่งแวดล้อมนะมีสภาพแวดล้อมต่างๆนะที่ชักชวนให้เราเนี่ยไปสนใจกับเรื่องข้างนอกนะเรื่องข้างนอกตัวมากกว่านะตรงนี้ก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเราก็หลงลืมตัวไปนะเราทำอะไรไปตามความเคยชินเราทำอะไรไปตามสภาพแวดล้อมตามความคิดนะที่มากระทบ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 เวลากลางคืนมันง่วงมันก็ต้องนอนล่นะนั้นเป็นธรรมดาหรือบางทีเราคิดฟุ้งซ่านแต่ก่อนเนี่ยบางคนยังไม่เคยฝึกมาเลยแต่ก่อนคิดฟุ้งซ่านก็ไม่รู้จะทำยังไงก็กลบเกลื่อนไปนเอาโทรศัพท์มือถือมาโทรคุยกับเพื่อนบ้างหรืออาจจะไปหาอะไรกินบ้างไปเที่ยวบ้างกลบเกลื่อนไปนก็คลายคลายไปได้บ้างซึ่งตรงนั้นเนี่ย ก็เป็นการกบเกลื่อ น, นความคิดฟุ้งซ่านแต่เมื่อเรามาเจริญสติเนี่ยเรามารู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้เท่าทันความฟุ้งซ่าน ร, รู้มันบ่อยๆเห็นมันบ่อยๆมันก็ไม่สามารถจะมาครอบงำได้ทาให้เรามีจิตใจที่หนักแน่นและรู้เท่าทั น, นปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านเหล่านี้นแล้วก็ไม่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 นะกับร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่เจริญสตินะได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเนี่ยโรคแค่เจ็บก็จะน้อยนะสุขภาพก็จะดนะีตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างปฏิหาร์ให้กับตัวเราเองได้เมื่อเราเรียนรู้กายได้บ่อยนะมีความรู้สึกตัวกับกายบ่อยเนะี่ยมันจะมันก็จะเข้าไปเรื่องรู้นะความรู้สึกนะสุขทุก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 ครอบงำนะทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์เราให้ทำโลภนะทำให้เราโลภทำให้โกรธนะแลนะตัวที่สำคัญก็คือตัวหลงเนี่ยนะก็คือหลงหลงคำว่าหลงเนี่ยก็คือหลงลืมไม่ทันไม่รู้เท่าทันความคิดนะตรงเนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นความรู้สึกตัวที่เออมันจะเข้าไปเห็นนะตาทิพมันจะเข้าไปเห็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไป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 สำเล่นอะไรก็ดีเมอจะทำการทำงานก็ต้องคิดและมีเจตนาคิดคิดที่จะทำนู่นทำนี่แต่ความคิดประเภทนี้เนี่ยเมื่อเราใช้เสร็จเรียบร้อยเราก็จบและถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่ชัดเนี่ยความคิดนีมันก็จะจบนะแล้วก็มันจะเป็นความคิดที่ประจางใสและชัดเจนแล้วก็มีความคมชัดนะเพราะว่าความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันมีน้อยเพราะฉะนั้น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 นะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นธรรมานุ ป, สปนนัสนาสติปฐานซึ่งเป็นอาศิปิปฐานตัวสุดท้ายนะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยน่าถือว่าเป็นธรรมะทั้งสิ้นจะเป็นกุศลนะหรือเป็นอกุศลก็ตามนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรับรู้เรียนรู้แต่เราไม่ไปตกจมอยู่ในกับสิ่งเหล่านั้นนะ เพราะฉะนั้นคนที่มาศึกษาเรื่องของการเจริญสติก็ดีะเรื่องของกรรมฐานก็ดีเนะี่ยเราอย่าไปปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นนะจะเป็นความง่ว ง, งเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านนะความพยาบาทนะความยินดีในสิ่งต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปปฏิเสธเลยเป็นสิ่งที่ เ, เกิดขึ้นมาแล้วเรามีหน้าที่ดูนะดูไม่เข้าไปเป็นนะนี่คือตาทิศ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 พยายามเาชนะอุปสรรคที่ที่เขาเรียกวันนิวร์นะ่ะนะก็คือความง่วงความฟุ้งซ่านนะตรงนี้เนี่ยการเอาชนะเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรนอกจากเอาความรู้สึกตัวเนี่ยนะเอาการเคลื่อนไหวนี่แหละนะมาเป็นหลักนะที่จะแก้อารมณ์ต่างๆนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้เรานั้นนะมีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการเจริญสติอย่า